มาจากกรุงเทพรถติดไหมไม่ติดนะฝึกตัวเองนะอย่าประมาทย้ำที่ไรก็สอนแต่ว่าต้องอดทนอย่าประมาทพาคเพียรทำไปอยากได้ของดีต้องทำเอาเอง เราไม่ใช่เด็กเล็กๆได้เชื่อเรื่องคำวอวยพรปีใหม่ก็รอคำวอวยพรพรแปลว่าประเสริฐต้องทำเอาเองถึงจะประเสริฐใครจะมาวอวยพรเราได้ขอให้มีความสุขมีหรือไม่มีอยู่ที่ตัวเราให้สุขภาพแข็งแรงไปขอหมอไป ยังมาขอพระโตแล้วไม่ใช่เด็กคนไม่ได้ภาวนานเขาก็ปรับปลืมวันปีใหม่รับพรกันถ้าเรารู้แล้วมันไม่มีอะไรอวยพรกันไปอย่างนั้นเองเป็นธรรมเนียมคนจะชั่วหรือจะดีอยู่ที่ตัวเองทำ สร้างคุณงามความดีไปมีผลเป็นความสุขสร้างความชั่วไปก็มีผลเป็นความทุกข์มันแน่นอนที่ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นทาชั่วมามาขอพอรไม่มีทางการให้พอรอะไรตามวาระปีโมงปีใหม่อะเป็นการให้กำลังใจเท่านั้นเอง คนในโลกไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่รู้ทางออกจากทุกข์ขาดกำลังใจถ้าเรารู้ว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่เราเป็นลูกพระพุทธเจ้าธรรมะที่ท่านสอนไว้ทิ้งเป็นมรดกให้พวกเราไว้สามารถพาเราเดินทางไปตามท่านไปได้ ไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ยังไม่ต้องรอรับพรอไข่ทั้งสิ้นสร้างพรให้ตัวเองเจ้าคุณนอท่านสอนดีนะท่านบอกทำดีดีกว่าขอพร อ, อย่างนี้พระแท้ๆ ท, ท่านพูดมีเหตุผลทำดีดีกว่าขอพรขอพรแล้วได้อะไรได้พรไหมไมันไม่ได้หรอก มันต้องทำเอาเองถ้าเรากาะกรรมทำชั่วนะขอพรให้มีความสุขความเจริญมันทำไม่ได้หรอกนี่บางคนอาจจะบอกว่าเอทำไมพวกขี้โกงดูมันมีความสุขความเจริญมันเจริญหลอกหลอกมันไม่มีความสุขหรอกมีบ้านก็อยู่บ้านไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นหนีไปสุกซุกซ่อนซ่อน มีวัดก็อยู่ไม่ได้ไม่ซ่อนอยู่ไหนก็ไม่รู้นะเคยอยู่เมืองไทยก็ต้องไปอยู่ยุโรปอย่างงี้ น, นะนกระทั่งพระนะเราไม่ใช่เด็กเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่เราได้ยินได้ฟังธรรมะ ของพ่อแม่เราแล้วท่านสอนวิธีที่เราจะตามท่านไปรักษาศีลไหมเอาห้าข้อก็พอแล้วไม่ต้องศีลแปดตอรักษามากเดี๋ยวจะกลายเป็นแปดเปื้อนไปรักษาไม่ไหวเป็นฆราวาสศีลห้าก็พอแล้วส่วนพระถือศีลสองรอยีิบเจ็ด ต้องไม่ลืมศีลห้าด้วยพระทิ้งศีลห้าเยอะเลยนะหลวงปู่ดลนั่นเคยบนลูกศิษย์ท่านบางองค์มัวแต่คิดนับเลขว่ามีศีลสองรอยิบเจ็ดแต่ลืมศีลห้าที่ท่านว่าเองพัฒนาใจของเรานะจนวันหนึ่งเราเป็นพระ ตัวเราเป็นผู้หญิงเราไม่ได้บวชหรือเป็นผู้ชายแต่ไม่ได้บวชแต่เป็นพระได้เป็นพระอยู่ที่ใจใจของเราเข้าถึงความสะอาด ห, หมดจดนะเราเป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันดีกว่าเป็นพระปาโมทโชอีก <laughs> เป็นโสดาบันเป็นพระสกทาคาเป็นได้ไม่ใช่คารวะเป็นไม่ได้คารวะก็เป็นได้สมัยพุทธกาลนั้นค า, าดเป็นพระนาคาก็มีคารวะบรรลุพระอรหันตก็มีมีหลายท่านที่เป็นคารวาดบรรลุพระอรหันตอนเป็นคารวะอย่าง พระเจ้าสุโทธทนะพ่อของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็บรรลุพาราหารหันไม่ได้บวชนตายสะกก้อนศีอาหมาดแม่ทัพของพระเจ้าเปรตที่โกศลเป็นพาระอรหันต์เป็นแล้วก็ตายวันนั้นเลยมีหลายท่านบางท่านอย่างท่านพาหิยะ ฟังพระพุทธเจ้าพูดอยู่ไม่กี่ประโยคเป็นพระอรหันต์นี่คารวะนะไม่ใช่พระให่คารวานะนั้นก็ทำใจเราให้ถึงธรรมะได้เป็นพระโสดาพระสกทาคาพระนาคาพระอรหันต์เป็นสุปฏิปันโนสาวกสังโฆเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีทำได้ ไม่ใช่พิคุสังโคพิคุสังโคอย่างหลวงพ่ออย่าเงี้ยเป็นพิกคุสังโคนี่นั่งกันอย่างเงี้อาจจะเป็นผู้ทุชนก็ได้แต่คารวานะท่านได้ธรรมะได้โสดาขึ้นไปนะเป็นสุปฏิปันโนพระาวาโตสาวกสังโคเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้ว ไม่มีใครมาห้ามเราไม่ให้เป็นพระโสดาบันไม่มีใครกีดกันเราเรากีดกันตัวเราเองจากธรรมะธรรมะไม่กีดกันเราี่งปีนี้คงไม่มาขอพอรนะใครขอพอรคือโง่พูดตรงไปตรงมาหลอกหลอกตัวเอง ปีใหม่เนี้ยตั้งใจทบทวนดูปีเก่าที่ผ่านมาความชั่วอะไรยังไม่ละก็ละเสความดีอะไรยังไม่ได้ทำหรือทำไม่สมบูรณ์ก็ทำให้มันดีทำให้มันสมบูรณ์ซะนั่นเรากำลังให้ผ่อนตัวเองชีวิตข้างหน้าเราจะต้องดีวันนี้ถ้าเราทำชั่วชีวิตข้างหน้าต้องเลววันนี้นะ เนื่นถ้าเราภาวนานะเราจะไม่หวันไหวแม้กระทั่งความตายที่มาถึงข้างหน้าเราคนทั่วไปวันไวตายแล้วสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเราปฏิบัติจนเรามั่นใจตัวเองความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปถ้ายังจะต้องเกิดอีกก็ต้องเกิดดีกว่านี้อีกภูมิจิตภูมิธรรมก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าได้โสดานะจะไปเกิดอีก อาจจะเกิดมาจนก็ได้นะพระโสะดาบันจนจนก็มีนะหน้าตาหน้าเกลียดก็มีพิการก็มีเป็นพระริยาบุคคลอันนั้นเป็นกรรมเรื่องอื่นๆแต่ท่านมีบุญมีศีลสมาธิปัญญาสะสมได้ธรรมะความดีและความชั่วไม่ล้างกันไม่ใช่ว่า ภาวนาเป็นพระโสดาบันแล้วเป็นพระอนาคาพระอรหันต์อะไรแล้วผลของความชั่วเก่าๆไม่ต้องให้ผลเป็นโมคะไม่ใช่นะดีกับชั่วไ ม, ไม่หักหล้างกันไม่มีเกล็ดเฉลี่ยนะดีคือดีชั่วคือชั่วเอามาหารกันไม่ได้ อย่าบ้าแต่พวกเราเลยพระพุทธเจ้ายัางต้องรับมิบากที่ไม่ดีเลยทำไมท่านต้องถ่ายเป็นเลือดถ้าท่านเคยทํากรรมไว้เป็นหมอวางยาคนเนี่ยทำไมท่านต้องลํา บ, บากเพราะท่านไม่ได้ทําแต่ความดีท่านความไม่ดีท่านก็ทําเหมือนกันแต่ท่านมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองไปจนถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นแะ ความชั่วหรือความดีเนี่ยให้ผลพาท่านไปเกิดอีกไม่ได้แต่กรรมเนี่ยให้ผลมาตอนที่ยังไม่ตายกรรมดีก็ให้ผลมาท่านประสบความสําเร็จสั่งสอนพุทธบริษัทได้ตามปณิธานของท่านคนนับถือท่านเยอะแต่ไม่ได้ติดที่คนนับถือหรอกแต่ท่านเผยแผ่ธรรมะออกไปได้ ตามที่ท่านต้องการท่านได้เจอคนดีๆจํานวนมากมาแวดล้อมท่านเป็นสาวกมาช่วยท่านทํางานนี่เป็นผลของความดีที่ท่านสะสมมาความไม่ดีก็ตามมาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็ต้องเป็นถูกคนด่าืางทีถูกใส่ร้ายนี่เป็นผลของกรรม ผลของกรรมนั่นดีกับชั่วไม่ล้างกันนะปีใหม่ทั้งทีเราก็ทบทวนดูปีที่ผ่านมาความชั่วอะไรที่ทำเอาไว้อย่าทำอีกความดีอะไรที่ทำไว้ทำมากมากขึ้นไปอีกให้เจริญขึ้นไปอีกแล้วเราจะเข้าถึงเส้นชัยในวัดตะสงสาร เข้าถึงมากผล น, นิพพานถ้าบุญบา ร, รมีมากพอก็ถึงมากผล น, นิพพานในชีวิตนี้แหละถ้ายังไม่มากพอว่า ไ, ได้มากได้ผลไปนิพพานเอาชาติต่อต่อไปถ้าอินทรียังอ่อนคุ้นเคยกับการปฏิบัติยังไม่ได้มากผลเลยแต่เราขยันปฏิบัติชาติต่อไปเราจะปฏิบัติง่าย เนี่ยสิ่งที่เล่าให้ฟังเนี่ยะคือพอรที่พวกเราจะให้ตัวเองไม่ต้องมาขอไม่งั้นมาลุกสิจูชกขอแย่แหลกลานลุกสิพระพุทธเจ้าเชื่อก ร, รมเชื่อผลของกรรมเชื่อการแคะทํำของเราเองทําดีไปเรื่อยนะไม่ทําชั่วจงกระทั่งมั่นใจในกรรมของตัวเองถ้ามั่นใจได้เมื่อไหอไร่นะไม่กลัวตายแล้ว ที่กลัวเนี่ยเพราะว่าไม่มั่นใจในตัวเองฝึกภาวนานะันมั่นใจในตัวเองไม่กลัวตายลนะ่ะถ้าต้องเกิดอีกก็ดีกว่า น, นี้ไม่เลวลงส่งอันบ้านมันส ก, การหนงพ่อหรื อ, อย่างทราบว่า เวลาที่เห็นจิตใจเปลี่ยนแปลงหรือความคิดที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยหนูหนูดูถูกแล้วใช่ไหมคะเพียงแต่ยังไม่พอขอบคุณค่ะยังไม่เป็นกลางด้วยยังชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้ขาดความเป็นกลางตั้งมั่นเป็นคนดูแต่ดูด้วยความเป็นกลางยังติดการบังคับตัวเองอยู่ไปเลิกซะนิสัยไม่ดีนะ การบังคับคืออัตตาเกเรมาฐานโยกการทำตัวเองให้ลาบากทำไมต้องทำตัวเองให้ลาบากเราว่าอยากดีอยากปฏิบัติอยากดีอยากมีสติตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันเรียกเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี่แหละใจกล้าๆนะอยอย่าบังคับใจให้นิ่งอา้าวต่อไปใครจําเป็นขอที่จําเป็นนะคุยเล่นไม่เอา จิตออกนอกรู้ไหมจิตวิ่งไปอยู่ในกระดานเ <c oughs> นี่ยหันดูอย่างเนี้ยรู้ไปได้จิตชอบหนีไปโน่นหนีไปนี่นะถ้ารู้ไม่ทันนันดีไม่ดีหนีลงนรกนะเวลาตายจิตมันวิ่งอย่างนั้นแหละวิ่งเหมือนตอนยังไม่ตายนี่แหละวิ่งไปโน่นไปนี่แล้วถ้าจิตเคยชินกับกิเลส กับการทำบาปไหลลงต่ำอยู่ที่ไหนกรั บ, บนวัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะภาวนานก็ดีขึ้นตั้งเยอะแล้วอยู่มาถามหาอะไรถามว่าการภาวนานี้ตอบให้แล้วน ะ, ะไปส่งไมยังมีจุร้อนนิดนึงยังประคองจิตอยู่นิดนึงให้นิ่งๆดูออกไหม นั่นแหละยังเป็นจุดที่ติดขัดอยู่แต่จิตอันดีขึ้นเยอะแล้วล่ะฉิดมันเด่นดวงง้นงามขึ้นมานี่เรายังกลัวมันไม่ดีพอเราก็เลยไปรักษาไว้ปล่อยมันดีที่ภาวนามาขยันใช้ได้ดูหน้าก็รู้แล้วขยันหรือขี้เกียจภาวนาเนะนี่ยมันหลอกกันไม่ได้กินหรอก ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะรู้สึกไหมเราบังคับจิตเราไม่ให้ตื่นเต้นใช่ค่ะตื่นเต้นให้รู้ว่าตื่นเต้นไม่ห้ามนี่ถ้าเราตื่นเต้นแล้วรู้สึกไม่ดีเราไปกดถ้าเรากดเมื่อไหร่เราไม่ได้เดินมิปัสสนาละตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นเนี่ยเราเดินปัญญาได้เนี่ยตั้งท่าเรารู้สึกไหมอย่าตั้งท่าเป็นคนธรรมดา เป็นนางตัวร้ายเป็นๆไหมเออนั่นแหละตัวจริงอย่างนั้นอะดีเนี่ยตอนนี้ดีกว่าตะกี้นิดหนึ่งละเห็นไหมตัวร้ายมันเริ่มขยับขึ้นมาแล้วทำเป็นตัวดีน่าเบื่อร้ายก็ร้ายแต่ร้ายแล้วไม่ทำผิดศีลห้าแค่นี้พอแล้วส่วนใจมันจะร้ายเนะมีสติตามรู้มันไปไปฝึกเอาไป มีคำถามมะค่ะหนูอยากรู้ว่าหนูอ่ะปฏิบัติตึงไปหรือว่าย่อนก็นกบอกให้แล้วไงนะาเราบังคับตัวเองมันก็ตึงไปเลยนะหนูต้องปล่อยปลดปล่อยตัวตนที่แท้จริงให้มันโผล่ออกมาในสายตาของเรานะี่ยไม่ใช่สายตาคนอื่นนะ <c oughs> หนูร้ายมาัไม่ใช่เล่นหรอกนะ <c oughs> หนูดูออกว่า <c oughs> เออ <c oughs> ต้องอย่างนั้นสิ <c oughs> <c oughs> อีกคำถามหนึ่งอะคะ่ะหนู อ, อยากทราบว่ า, เ, า, าเวลาพิจารณาค่ะพิจารณากายหรือจิตหรือกระดูกจะเหมาะสมกว่ากันนะคะอี๋ยวพยายามหาวิธีปฏิบัตินะ่ะมีสติรู้กายรู้ใจเป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆไม่มีวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นมากกว่าการรู้ลงไปตรงๆหรอกนอนอยู่ทาง น, น้น พวกเราเนี่ส่งอัตโนมัติอย่างนี้เขาเรียกส่งเดชกราบน้ำมัตตาหลวงพ่อค่ะเขาอยู่ทางนี้ส่งไปทันทีอ้าว่ามาค่ะส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะหลวงพ่อยังให้หลวงพ่อชีนอ่ค่ะที่ภาวนาอยู่ก็ดีนะรู้สึกเปล่าจิตใจเราเปลี่ยนแปลงดูออกไหมดูออกค่ะสบายขึ้นต้งเยอะแล้วมันโปร่งโล่งเบาขึ้นรู้ไปรูปไปได้่อย <จ>อย่างนี้<ห><ค>นอยาก พ, <อ S 1> พ <อ S 2> ูดอะรู้สึกไหม <c oughs> มันมีแรงดันขึ้นกลางหน้าอกอ่ะเวลาอยากพูดตัวออกไหมดูออกค่ะเออนั่นแหละภาวนากิเลสตัวอื่นมก็โผล่ขึ้นกลางหน้าอกนั่นแหละแต่อย่าไปเฝ้าดูนะให้มันโผล่เราค่อยรู้ถ้าไปเฝ้าอยู่กลางหน้าอกมันไม่มีอะไรให้ดูเลยใช้ไม่ได้อ่ะปล่อยมันเ อ, าอ้าอยจะพูดอะไรก็พูดไปที่หนูทนํานี้รู้สึกต้องออยากให้หลวงพ่อชี้แอะค่ะ ก็ชี้แล้วนะไปทำอีกไปก็คือทำเหมือนเดิมใช่ไหมเออทำเหมือนเดิมแหละแต่ทำสม่าเสมอนะทุกวันไหว้พระสวดมนต์ด้วยค่ะขอขอบพระคุณอยู่ที่ไหนนน่นกลางกลางห้องอย่าส่งเดชนะส่งให้ตรงทิศกลาบน้ำมาสการค่ะเมื่อต้นปีหลวงพ่อแนะนำแล้วว่า ปัญหาคือความฟุ้งคลัางของจิตก็ไปดูมันก็เห็นสภาวะขึ้นมาบ้างแล้วก็คิ ด, ดคิดเองว่าดีขึ้นเยอะแล้วละ่ะแต่ว่าตอนเนี้ครัมันเกิดความลังเลสงสัยเพราะว่ามันมันหลงเข้าไปในโมหะเยอะมากแล้วมันขํามครวนในใจอ่ะอย่าไปเชื่อมันเพราะฉะนั้นก็คือปฏิบัติตามเดิมได้ปกติอย่างนี้ปกติแหละมีโมหารู้ว่ามีโมหะถลํา ล, ลงไปถูกโมหะครอบหัวไว้รู้ว่าโมหะมันครอบไว้ ก็ดูไปตรงๆแล้วก็รูปตรงๆค่ะจิตยังม right ีกําลังพอใช่ไหมค่ะจิตยังมีกําลังพอใช่ไหมคะมันเหมือนหลอกตัวเองว่ามันไม่มีกําลังมันก็เลยหลงหลงมีแต่ว่ามีไม่มากอ่ะค่ะแล้วในชีวิตประจําวันที่ไม nope ่ค totally ่อยมีสติเนี่ยคือพยายามเพิ่มเวลาในการทําในรูปแบบเนี่ยเวลาเพิ่มเวลาในรูปแบบนะต้องมีสติเลยนะ ใช่ค่ ะ, ะมันไม่มีสติด้วยตอนนี้นมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าดูทุกวันทุกวันอยู่ยในชีวิตประจําวันก็ทำอยู่กับคําบริกรรมออบริกรรมค่ค่ะงั้นกลับนมัสการบริกรรมเยอะๆแต่ไม่ใช่บริกรรมให้จิตนิ่งบริกรรมแล้วก็รู้ทันจิตเวลามันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงถ้าเราดูจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจนชานาญพอเรามาอยู่ในชีวิตจริงนี่จิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมันจะเห็นเอง มันจะดูได้บ่อยๆ ค, คือที่มันติดเนี่ยคือตอนที่ทำในรูปแบบนะคะมันก็เห็นความฟุ้งมากจนเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเวลาที่หลงใจมันก็เลยไม่มีความสุขมันก็ไม่สงบมันเหมือนวนในอ่างอย่างเงี้ยค่ะก็คืคคคอดูไปอย่างนั้นไปเลยช่วยไม่ได้ก็อดทนไว้ใช่นั่นแหละเคล็ดลับวิชากาบข อ, บขอบพระคุณอดท น, ทนไม่อดทนนะเก่งแค่ไหนก็ไม่รอด มันยังมีการเพ่งตัวเองอยู่นะดูออกเปล่าใช่ครับบางทีมันเหมือนบังคับนั่นแหละเลิกบังคับซะปล่อยให้มันทํางานไปแต่บังคับเพ๊าะมันกลัวมันจะไม่ดีนั่นแหละมันกลัวไม่ดีมันอยากดีกลัวไม่ดีก็โธ่สาอยากจะดีมันก็โลภะใช่ไหมที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยปฏิบัติสนองกิเลสแล้วเมื่อไหร่มจะพ้นทุกข์อ่ะ เพราะมันมันรู้สึกว่าช่วงนี้เหมือนมันมีโทสะเป็นยืนพื้นบางๆอยู่ในร่างปกติมันไม่ใช่ตัวเราค่ะได้ค่ะกราบน้มัสการกล้าๆหน่อยนะเข้มแข็งค่ะอดทนกราบขอพระคุณอย่ารักษาจิตไว้แต่ฝึกสติให้เยอะค่ะมีสติรักษาจิตนะสติเป็นคนรักษาไม่ใช่เรารักษาคือจิตไม่ค่อยถึงฐานด้วยใช่ไหมคะใช่ แล้วอย่าไปประคองให้นิ่งค่ะกลาวนรมาส ก, การค่ะหลวงพ่ อ, อ ม, มีกันบ้านเขาที่แล้วหลวงพ่อให้ไปสวดมนต์ค่ะเออแล้วได้สวดไหมสวดค่ะสวดแล้วรู้สึกเป็นไง อ, อ่าก็หลวงพ่อบอกว่าให้ทำสองอย่างคือให้ทาสมถะ ด, ด้วยแล้วก็ให้ดูที่หลวงไปคิดด้วยค่ะค่ะเราเห็นไหมเวลาหลวงไปคิดรู้ไหม ก็รู้ค่ะนั่นแหละในจุดสำคัญของการปฏิบัติจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้นะสุดยอดเลยนะใช้ได้หมดเลยทำให้เกิดสติศีล ส, สมาธิปัญญาเกิดได้หมดเลยตรงที่จิตไหลแล้วรู้บ่อยๆนะหนูไปทำอีกไปรู้อย่างนั้นแหละค่ะมีการบ้านสองข้อคะ่ะคือมีอยู่บางวันก็คือทำงานกลับมาแล้วก็มันหมด พลังค่ะสวดมนต์ไม่ไหวหนูเดินเข้าบ้านมาหนูก็ลม้ลมลงบนโซฟาเสร็จแล้วก็นอนนอนแบบไม่มีไม่มีแรงเสร็จแล้วก็หนูก็มีที่บ้านเลี้ยงหมาตัวเล็กๆอยู่ก็กอดนางกอดมันเสแต่แล้วก็เกาพุงมันนะคะหลับตาแล้วก็เพราะว่าทําอะไรไม่ไหวแล้วะทีนี้ในขณะนั้นที่หนูคิดว่าหนูไม่ได้ปฏิบัติอะไรแต่ว่าระหว่างที่เกาพุงหมาอืมันจะรู้สึกว้าเล็บมันผ่านหนังมันแล้วก็ขนมันหนูเห็นใจที่มัน มันไหวสะเทือนตามเล็บที่มันขูดตามขนหมาค่ะนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติละะเอาทองไปปิดมันเลยอาจารย์หมานี่สอนเก่งจริงคือหนูเลยเข้าใจว่าเวลาที่หนูตั้งใจปฏิบัติกับทําได้ไม่ดีเท่ากับเวลาที่ไม่ได้ตั้งใจค่ะหลวงพ่อหลวอถึงสอนนักสอนนาอย่าโลภนะอย่าไปจงใจถ้าจงใจไม่ได้กินออกค่ะ แล้วหนูก็นอนเกาพงมันหนูเห็นจิตมันสะเทือนตา ม, มขนเล็บเออเล็บที่ผ่านขน ผ, ผิวหนังมันนะคะหลวงพ่อมันบรรยายไม่ถูกแต่ว่ามันรู้สึกอย่างนั้นเออแล้วก็เวลาเดินอย่างมาอยู่วัดหนูปัดแมงวีคือเดินไปปัดแมงวีหนูเห็นใจซึสะเทือนตามตามกายที่มันเคลื่อนปัดัดออกไปอย่างเนี้ยค่ะนั่นแหละดีค่ะไปทําอีกไปอย่าละเลยนะทําได้ดีแล้วก็ต้องรักษาไว้ แล้วให้ปฏิบัติเหมือนเดิมใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่แล้วหนูต้องไปนั่งสมาธิด้วยไหมคะควรจะนั่งนะไม่งั้น<ม>ฟุง้งซ่านหนูฟุง้งซ่านเก่งใช่ค่ะหนูมีอีกอันนึงค่ะคือช่วงที่ผ่านมาที่ทํารู้สึกว่าเอ๊ะเราเพ่งหรือเปล่าเพราะว่าช่วงที่ปฏิบัติคือมันมีแรงบีบที่เหมือนใช้ทอยแล้วบางทีมันจี้ตํามสมองอะคะ่ะหลวงพ่อ จี๊ดจีจี๊ ط, จ ط, เปลี่ยนตามจุดไปเรื่อยๆค่ะบางวันก็รู้สึกว่าทําไมใจมันหนักแล้วมันมันบีบแรงมากค่ะผิดปกติเงี้ยค่ะหลวงพ่อแผ่เมตตาไว้ค่ ะ, จะเจริญเมตตาไว้ทําสมถะบีบมากๆเนี่ยโมโหค่ะ น, นเะเราเจริญเมตตาไปเลยดูไว้ตัวเนี้ยเหมือนหมาตัวหนึ่งนะเหมือนไอ้ตัวนั่นแหละนะดูไปเป็นหมาที่น่าสงสารตัวหนึ่ง แล้วหนูก็เห็นความทุกข์เกิดขึ้นเยอะมากในกายนนในใจด้วยค่ะเออนั่นแหละไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ต้องเป็นกลางกับมันค่ของหนูยังไม่ค่อยเป็นกลางนะค่ะแต่หนูก็ดีขึ้นเยอะแล้วละ่ะจุดออนคือฟุ้งซ่านเก่งเพราะงั้นต้องมีเครื่องอยู่ของจิตค่ะอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทธโธอะไรก็เอาค่ ะ, ะขอบพระคุณค่ะอยู่ที่ไหนยกมื อ, อว่าไป ครับเ อ, อปฏิบัติมาตั้งนานแล้วครับแต่ไม่ก้าวหน้าเลยครับแล้วทําไมอาจจะก้าวไปไหนอ่ะอ่ขอการหลวงพ่อเมตตาก้าวหน้าแล้วจิตใจไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาให้ทําให้มันเจริญขึ้นนะครับฝึกไปเรื่อยๆอย่าโลภนะอยู่กับปัจจุบันไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวรู้สึกนะรู้ไปอย่างนั้นแหละ ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะไม่ใช่ไม่ดีใจเราปโปร่งล่งเบาขึ้นทั้งเยอะแล้วรู้สึกไหมครับนั่นแหละดีแต่เราไม่ได้เอาใจที่โปร่งโล่งเบานะนี่เป็นแค่ผลพลอยได้เราฝึกสติฝึกศีลสมาธิปัญญาของเราให้ดีขึ้นดีขึ้นส่วนใจมันจะสบายมีความสุขปโปร่งล่งเบามากขึ้นมากขึ้นเป็นผลพลอยได้เท่านั้นเองไม่ได้มุ่งเอาเดียวครับไม่ได้มุ่งที่สุขไม่ได้มุ่งที่สงบ นะมุ่งมีสติอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆแต่ช่วงไหนฟุงงร้างก็ทำความสงบไม่พาส่วนมลพุโทโธไปหายใจไปแบ่งเวลาไว้ทำทุกวันได้จะดีนะกรรมฐานสมถะเนี่ยทำให้เรามีแรงจะเจริญวิปัสสนารวดไปเลยถึงจุดหนึ่งไม่มีแรงพอนะกรรมนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ไม่ยลบควรให้เดี๋ยว<ล>เดี๋ยว<ๆ>อยู่ไหน อยู่นี่ค่ะอ๋อว่าไปไม่ทราบว่าหนูฝึกได้ถูกหรือเปล่าค่ะเหมือนพองเพ่งอยู่นะเพ่งอยู่มันได้มีการเพ่งอยู่บ้างพัฒนาขึ้นว่าไงเพราะจิตไหลไปอ่ะมันจะเหมือนมันมีตัวอะไรที่มันอยู่ประมาณตรงหัวตรงข้างสายอ่ยมันจะคอยมองมองแล้วจิตมันจะกลับมาที่ฐานแต่ว่าฐานของจิตมันอยู่ที่ท้อง แล้วทีนี้เลยไอ้ตัวที่วิ่งไปวิ่งมาไม่ใช่จิตหรอกมันเป็นตัวที่ถูกรู้รู้สึกไหมค่ะอะไรถูกรู้อันนั้นไม่ใช่จิตหรอกจิตเป็นคนรู้จิตมันขึ้นไปตั้งอยู่ที่หัวข้างซ้ายอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องของมันนะจิตจริงๆไม่มีที่ตั้งหรอกจิตเกิดตรงไหนจิต ด, ดับตรงนั้นเลยถ้าเราดูอย่างนั้นต้องระวังนิดนึง อย่าให้มันแยกกันอยู่ตลอดเวลานะเมื่อทีเราเห็นสิ่งที่ถูกรู้อยู่ข้างล่างเนี่ยตัวรู้อยู่ข้างบนแล้วเราก็ไปรักษาให้มันแยกอยู่อย่างนี้ไม่ดีนะใจมันจะเป็นอย่างที่เราเป็นอย่างนี้จะแน่นๆปล่อยมันปล่อยมันเห็นความเคลื่อนไหวก็รู้ว่าเคลื่อนไหวสังเกตไม่ความเคลื่อนไหวนั้นถูกรู้ไอ้คนรู้มันอยู่ทางนี้แต่อย่าไปหามันนะ อย่าย้อนกลับมาหาไอ้ตัวที่เป็นคนดูนะมันจะเกิดตัวรู้ซ้อนตัวรู้ไปเรื่อยๆแล้วจะสับสนหาจิตไม่เจอไม่ต้องไปหามันแค่รู้ว่ามีตัวหนึ่งเป็นคนดูอยู่แค่นั้นพอละแล้วก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกดูเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราค่อยๆฝึกไปที่ฝึกมาก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันฟุ้งในการปฏิบัติไปนิดนึง รบกวนถามอีกหนึ่งคำถามค่ะในเรื่องสมถะค่ะคือเนื่องจากว่าพอพอจะตั้งท่าเนี่ยหนูก็จะคาดหวังก็เหมือนหลายๆคนที่ถามทีนี้ถ้าสมมุติว่าจิตมาอยู่ที่ฐานแล้วรู้ว่าจิตกลับมาแล้วถ้าณตรงนั้นน่ะหนูไปพุโทโธอยู่ข้างในตรงนั้นเลยอย่างเนี้ยถือว่าเป็นสมถะเพียงพอหรือไม่อ่ะค่ะเป็นเป็นสมถะนะ จิตอยู่ในฐานเราแล้วเราก็พุโทโธประคองจิตเอาไว้ได้สมถะแต่ถ้าคลายการควบคุมจิตลงไปนิดหนึ่งนะแล้วพุโทโธไปมันจะเริ่มเคลื่อนไหวนะเราจะเห็นจิตพุโทโธพุโทโธอ้าหนีไปคิดเรื่องอื่นละตรงที่เรารู้ทันว่ามันหนีไปเนี่ยขึ้นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นะไม่ต้องไปประคองจิตเอาพุโทโธไปรักษาให้จิตนิ่งอันนั้นได้สมถะดีเหมือนกันไม่ใช่ไม่ดี แต่อย่ารักษาเยอะรักษาพอมีเรื่ยวมีแรงแล้วปล่อยให้จิตมันเคลื่อนไหวได้นะมันก็จะแอบไปคิดเรื่องโ น, น้นเรื่องนี้เราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธเอาไปคิดเรื่องโน้นแล้วรู้ทันว่าหลงนะพุโทโธไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่หลงไปหลงมานั่นแหละดีที่สุดนะแล้วถ้ามันหลงจนฟุ้งซ่านทนไม่ไหวแล้วก็พุโทโธแล้วก็น้อมจิตไปสงบอยู่กับพุโทโธนะอย่างนั้นได้สมถะก็ดีเหมือนกัน มีสองอย่างที่เราทำนะสมถะการวิปัสนาสมถะเนี่ยเราก็พุโทโธเข้มแข็งหน่อยจิตไม่หนีไปไหนวิปัสนาก็พุโทโธเป็นแบ็คกราวเพื่อจะดูจิตเวลามันหนีไปจะได้รู้ได้เร็วๆเท่านั้นเองกรับค่ะพ่ะคุณเนีค่ะเขาหนูยังคิดเยอะไปดิ้นรนค้นคนว้าเพื่อจะได้ปฏิบัติเนี่ยมากไปดวกเปล่า เหมือนตอนนี้มันข้างในมันแน่นมันตื่นเต้นด้วยดูให้มันสบายๆนะอย่าไปทําให้สบายก็แล้วกันมันแน่นรู้ว่าแน่นไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบดูไปซื้อๆรกรนรนมธนการหลวงพ่อคะ่ะหลวเคยส่งกั น, กนบ้านเมื่มอสอเห็นหน้าหน่อยอยู่ตรงไหนค่ะอ้าวนั่งได้ค่ะ เคยสมกันบ้านเมื่อสองปีที่ลามาค่ะหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูจิตที่เกิดดับหนูก็ปฏิบัติต่อต่อมามีผู้ลูกเขาทักว่าหนูติดชาญแล้วก็เหมือนจะมีวิปัสสนูขีดแทรกอะค่ะมันเป็นยังไงถึงว่าเป็นวิปัสสนู เขาบอกว่าหนูติดนิ่งแล้วพยายามที่จะเหมือนทําให้ได้ดีอะค่ะคือเวลาที่หนูนั่งแล้วจิตมันจะรวมแล้วก็จากที่ลมหายใจมันก็จะเห็นเป็นว่าลมหายใจหายไปแล้วก็จะเหลือแต่ความรู้สึกแล้วก็แตกแ่ก็จะรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวค่ะแล้วมันเสียหายตรงไหนอ่ะก็หนูเข้าใจว่าหนูปฏิบัติถูกแต่ผู้รู้ทักมาว่าอย่างนี้หนูก็เลยไม่แน่ใจว่าหนูปฏิบัติถูกมมันกรรมของหนูนะ ไปให้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทักน่ะไอ้ที่ทำน่ะถูกแล้วหนูก็เลยกลับมาไข้แผลอยู่สักพักหนึ่งสมน้าหน้าเตือนแล้วเตือนอีกใช่ไมว่าอย่าเที่ยวร่อนเร่ไปเรียนที่น่นที่นี่ไม่ไม่ได้ไปเรียนค่ะพอดีพาลูกไปบวชแล้วก็เลยต้องไปอยู่วัดเพื่อนลูกอะค่ะแล้วกลับมาเมื่อเช้าที่ฟังหลวงพ่อเทศรอบเช้าก็ มันคลายความเห็นจิตที่คลายกังวลลงแต่ตอนแรกเลยไม่รู้ว่าตัวเองคือหนุ่พ่อบอกว่าจิตไหลไปคิดให้รู้หนุ่ไม่รู้ว่าจิตตัวเองมาไปคิดตอนไหนหาหาตรงนั้นไม่เจอคะ่ะพุทโธไปสิพุทโธพุทโธไปนะพอมันไปคิดเรื่องอื่นมันก็ลืมคิดพุทโธพุทโธเป็นแค่ความคิดเท่านั้นแหละนะเราจงใจคิดพุทโธอย่างเงี้ยพอมันเผลอมันจะไปคิดเรื่องอื่นมันก็ไม่คิดพุทโธ เราก็จะสังเกตได้ง่ายว่าอ้าวเผลอไปคิดเรื่องอื่นแล้วนะล้วก็กลับมาอยู่กับพุโทโธต่อแล้วไอ้ที่เขาบอกวิปัสสนูเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวิปัสสนูเลยที่พูดมานั้นอ่ะ<ๆ>นะ<ๆ>คนละเรื่องเลยค่ะถ้าหนูไม่พุโทโธหนูอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้ไหมคะได้รู้ลมหายใจไปนะเห็นร่างกายหายใจไปแล้วพระจิตหนีไปจากลมหายใจก็รู้ทัน<ๆ>จิตถลําลงไปเพ่งลมหายใจก็รู้ทันรู้สองอัน จิตนีไปที่อื่นแก่จิตไหลลงไปอยู่ที่ลมรูล้ลมไปเรื่อยๆแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาอย่างนี้ใช้ได้เลยนะค่ะเออเวนกับกับอีกอันหนึ่งค่ะพอดีหนูปฏิบัติทํางานนะคะจะขึ้นเวนเยอะแล้วก็ถ้าจะมานั่งนั่งตัวตรงเนี่ยค่ะหนูจะรู้สึกว่าหนูจะเพ่งแล้วจะเครียดถ้าหนูนอนลงไปแล้วก็มีสติรู้สึกตัวว่าเห็นร่างกายนอนแล้วก็อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างนี้ได้เช่นไหมคะได้<ะ>ได้ ได้แน่นอนก็คือหลวงพ่อก็นอนอย่างนั้นแหละค่ะแล้วบางทีมันรู้สึกว่าตัวเองคือคนภายนอกเขาบอกว่าหนูนอนหลับแต่หนู่รู้สึกตัวตลอดตื่นตลอดนั่นแหละสติของเราดีคนอื่นเขาดูไม่ออกหรอกต้องให้หลวงพ่อดูให้รับที่ผ่อนมาเนี่ยค่ะหนูรู้สึกว่าร่างกายหนูมันเหนื่อยค่ะร่างกายมันก็หลับไปแต่สติเราดีนะ มันก็รู้ตัวอยู่อย่างนั้นแหละมันเหมือนไม่นอนที่จริงร่างกายนอนบางทีโครนคราะห์เลยนแล้วไงอีกทําไมพูดเยอะนักพอดีโนติดอีกอันหนึ่งนะะเห็นว่าตัวเองโทรสามันเกิดขึ้นตรงกลางอกแล้วมันร้อนแล้วมันรู้สึกตอนแรกเลยมันรับไม่ได้มันลาคาญใจว่ามันมันมีโทรสากอยู่ตรงการทําไงจ้าออกไปได้คออกไม่ได้หรอกมันเกิดขึ้นที่กลางอกนั่นแหละ เคยรู้จักหลวงตามหาบัวไหมได้ยินชื่อค่ะหลวงตามหาบัวสอนดีนะท่านบอกทำแท้เกิดขึ้นกลางอกอะไรบ้างที่เป็นทำแท้กุศลธรรมเป็นของจริงกุศลธรรมเป็นของจริงมรรคผลเป็นของจริงสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกลางอกทั้งสิ้นเลยนี่เมื่อเราเห็นสภาวะที่ไหวขึ้นกลางอกแล้วเนี่ยเวลาเห็นอย่าถลําลงไปดู ดูอยู่ห่างๆดูสบายๆไม่จมลงไปกลางอกแล้วก็ไม่เข้าไปแทรกแสงมันเห็นมันผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปฝึกดูไปเรื่อยๆนะของหนูภาวนาได้ดีนะแต่หนูอย่าไปคบผู้รู้มากนักมันะจะพังค่ะ <c oughs> หนูขอความเมตตาหลวงพ่ออีกเรื่องหนึง่งอะค่ะพอดีหนูพาลูกน้อยมาด้วยลูกน้อยเขาจะเป็นเด็กที่ซนอยู่ไม่เฉยหนูอยากให้เขาได้ปฏิบัติธรรมแต่หนูไม่รู้จะชีแนะลูกยังไงอะค่ะอายุเท่าไหร่แล้ะอายุสิบขวบค่ะสิบขวบเนอะค่ะให้เขาค่อยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆอย่าไปบังคับลูกนะเดี๋ยวเด็กต่อต้านโอ้เราบังคับลูกเยอะไปนะเด็กมันต้านอยู่ข้างใน ปล่อยให้ก็เป็นธรรมชาติของเขาให้เขาเรียนรู้ลองผิดลองถูกไปเราแค่สอนให้เขาคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆนะแค่นั้นก็พอแล้วละ่ะหนูอย่าไปมาเชี่ยวเข็นลูกมากเกินไปนะผู้รู้ผู้รู้ <laughs> ถึงเตือนพวกเราเรื่อยๆอย่าร้อนเลยเข้าวัดน้นออกวัดนี้บางที่เราภาวนาดีๆเสียเลยคนไหนยังเพ่งอยู่นิดหนะ่อยนะยังประคองจิตอยู่นิดหน่อยเพราะมันตื่นเต้นก็เลยรักษามันเขาจะถามว่าอะไรเขาขอถามสงข้อข้อแรกเขาเวลามททำรูปแบบจอกจงกลม จะดูร่างกายขคลือืไหวแต่รู้สึกว่าใจอยากจะหนีจากร่างกายครับเ ข, เขาไม่รู้ว่าสาเหตุเพราะอะไรครับมันเห็นทุกนะมันไม่อยากดูมันอยากจะหนีไปที่อื่นต้องอดทนใจอยากหนีก็รู้ว่าใจอยากหนีใจไม่เป็นกลางรู้ว่าใจไม่เป็นกลาง เมื่อเราเดินจงกรมไปแล้วใจเราเป็นยังไง ร, รู้ทันเนี่ยนันเรียกว่าเราภาวนาเก่งนะที่เขาวนณาอยู่ใช้ได้นะแต่ตรงนี้ใช้ไม่ได้พอบอกใช้ได้นะก็ไปรวบปุ๊บมานะปล่อยมันอย่าไปรวบมาเอาข้อสองคือเขารู้สึกว่าฟงมากคือไม่ค่อคยข ย, อยันคือ อาจารย์บอกว่าก็เพราะใจเขาไม่อย่าไม่อยากเห็นทุกข์นั่นแหละที่ลวงพ่อบอกแต่กี้มันหนีทุกข์ไงเห็นเดินจงกลมไปมันเห็นทุกข์มันก็หนีเราไม่อยากเห็นทุกข์ทุกข์หนีไม่ได้นะอยู่กับมันแล้วก็เรียนรู้มันไปจนกระทั่งเป็นกลางกับมันเราสามารถอยู่ได้ ท, ท, ทั้งที่ร่างกายมีความทุกข์เนี่ยเพราะร่างกายยังไงก็ต้องทุกข์ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย อีนี้เราจะอยู่กับมันโดยใจเราไม่เป็นทุกข์ไปด้วยค่อยๆฝึกไปให้สังเกตใจที่ไม่เป็นกลางไปใจไม่ชอบรู้ทันมีอีกไหมเขาอยารู้ว่าทำยังไงจะให้ขยันกว่านี้อีกครับให้ขยันกว่านี้เหรอพูดยากนะเรื่องขี้เกียจ <laughs> พวกนี้ที่ไม่ดีก็เพิขี้เกียจเหมือนกันแหละเพื่อนเยอะลองคิดดูนะคนที่เรารู้จักนะก็ตายไปตั้งเยอะแล้วผู้ใหญ่กว่าเราก็ตายคนรุ่นเราก็ตายเด็กกว่าเราก็มีตายชีวิตนี่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเพราะั้นเราพยายามเตือนตัวเองนะเราอยู่กับความไม่แน่นอนเราประมาทไม่ได้ เราต้องฝึกใจของเราให้อยู่ได้ในทุกสถานการณ์นะกลับนมัส ก, การหลวงพ่อครับ อ, อ, อยากจะขอทำชี้แนะจากหลวงพ่อมาตั้งแต่กี่โมงอะมาถึงนี่เก้าโมงครับ <10 S 2> เกือบเก้าโมงครับมาสายไปนิดนึง ร, นะรู้สึกตัวไปเรื่อ ย, เ, อยนะเวลาเรารู้สึกตัวเนี่ย<ม>สังเกตใจของเรา เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองไปเรื่อยๆแต่ต้องถือศีลห้าไว้ก่อนนะ <c oughs> ถือศีลห้าไว้แล้วเราจะไม่กดข่มใจของเราการปฏิบัตินั้นเร า, เราไปกดข่มใจให้นิ่งไม่ได้ต้องปล่อยให้ใจทํางานเป็นธรรมชาตินี่เรามันมีกิเลสทุกคนแหละเราก็เลยต้องมีศีลไว้ก่อนเวลากิเลสครอบงําใจเราเราอย่าทําผิดศีลแค่นันะ้นแหละ ที่เราต้องมีสีเนีเพื่อควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาเพราะว่าทางใจเราจะไม่ควบคุมเราจะมีสติเรียนรู้มันไปเรื่อยๆแล้วสติจะเป็นตัวควบคุมจิตใจเองเราควบคุมไม่ได้อย่างเราสั่งใจเราจงมีแต่ความสุขสั่งไม่ได้ห้ามมีความทุกข์สั่งไม่ได้จงดีอย่างเดียวห้ามชั่วทำไม่ได้ตั้งใจจะไม่โกรธก็โกรธเงี้ยนั้นจิตเนี่ยเป็นของสั่งไม่ได้ แต่เราอาศัยสตนะิคอยรู้ทันมันไปเรื่อยๆแล้วสตินี่แหละจะไปคุ้มครองรักษาจิตให้เราเราไปคุ้มครองรักษาจิตด้วยตัวเราเองไม่ได้พยายามรู้เท่าทันจิตใจตัวเองบ่อยๆนะยิ่งบ่อยยิ่งดีโกรธแล้วรู้โลภแล้วรู้หลงแล้วรู้ฟุ้งซ่านแล้วรู้หดหู่แล้วรู้เป็นสุขแล้วรู้เป็นทุกข์แล้วรู้เนี่ยฝึกรู้อย่างนี้เรื่อยๆไปนะแล้วจิตใจเราจะได้พัฒนาขึ้นข้าวมรสกครับ หมดละเชิญกับบ้าน